แต่อาจระวังตัวอยู่ภายในตามนิสัยของสัตว์ที่มีสติดีและมีความระวังตัวไม่ค่อยคลังเผยให้กับอะไรง่ายๆเฉพาะท่านเองก็ไม่นึกกลัวมันเพราะเคยได้เห็นมันมาบ้างและเคยได้ยินเสียงมันอยู่เสมอจนชินชาไปซะแล้วเวลาพักอยู่ในที่ต่างๆเรื่อยมาซึ่งโดยมากมักมีสัตว์พันุนี้ประจําอยู่เสมอในที่บําเพ็ญ น, นั้นๆจึงไม่นึกกลัวอื่นวันหนึ่งท่านกําลังนั่งอบรมกรรมฐานแก่พระที่จำพรรษ า, าด้วยกันราวสามสี่องค์